ร, รถถูกรถแพงกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเตรียมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลจบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมะเรเกเ ร, รเซเพลรเรียนไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอลูกบัดซบไม่รงไม่เรียนแล้วเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ ในตังวันแรกค่าแรงหนึ่งรบาทผ่านทุกผ่านร้อนพอแท้กกดดันบางทีก่อดนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานผมามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสืองมาเรียกกูสุปตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้าลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืด บ, บนพาสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟัน อย่าผิดหวังให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ ตียังเยืดบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังทับสัตยานะตอนนี้ดีเหลือเกินกับเครื่งชีวิตที่ผาเชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเปลี่ยนกูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโด่งจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เปลี่ยมไปลําบากหลักลาหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีคอยอยู่ได้กูไม่แคร์คาคนกูไม่สนคําดามีคนรักต้องมีคนเปลียนน้องเอ๋ยธรรมดายามไม่มีคนเหยียบจมยามได้ดีคนอินชา ที่เจอมาเยอะน้องเอ้อยตั้งแต่เป็นศพไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพ้าสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัตย์ไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวหวังไอ้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟัง ถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้คูจะไปถึงเซนชายไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันตาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลา ม, มึงจงฟังให้ดีถ้าตียังย จงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวางให้ฟันฟาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีท้าตีนยังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา เป็นนังนอยากก่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามมึงจงฟังให้ดีถ้าตีนยังยืดบนพราสุ้าจงอย่าเดินกลับล